ตอนอบรมกริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พลรานคอยระหว่างวันที่แปดถึงสิบสองพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบตอนที่แปดก็พอกูจะใช้เวลาไม่มากสรุปนะทุกวันเราทำอะไรเราก็ต้องสรุปเมื่อกี้เนี่ยมีสี่คลิปนะคลิปแรกคือหมอญี่ปุ่นเขาก็โพสเช็คตรงนี้ออกมาพึ่ง พึ่งไปปีที่แล้วแล้วก็ไปทั่วโลกนเมื่อกี้เขาอัดจากโทรทัศน์ของฮ่องกงพูดภาษากงตุง้งนะไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคนเช็คตามเขาเนี่ยห้าแสนกว่าคนนะตอนนี้มันไปทั่วหมดแล้วของเราทำไม่รู้มากี่ปีนะมันเงินอยู่ในปา่าแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาไปเาทดลองแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็ ติดตามผลแล้วเนี่ยได้ประโยชน์มากในแง่ร่างกายกับจิตใจและก็เรื่องอารมณ์นะแล้วก็คลิปที่สองทีสเต้นมีท่าโบกอะไรแท็กซี่อันนี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยนะเพราะตอนนี้มันสะท้อนิดว่าคนเรามันเครียดมากทุกคนเป็นออฟฟิศซินโดรมนะทุกคนเป็นโรคภูมิแพ้นะเพราะการแข่งขันยื้อแย่งความกังวลห่วงใยเราเยอะ นะทีนี้ก็ทุกคนก็หาวิธีทำยังไงให้ผ่อนคลายที26ก็เป็นแค่ได้กายภาพบำบัดได้ผ่อนคลายอารมณ์บ้างแต่ไม่ได้ฝึกจิตอะไรเลยนะแล้วก็มีสมท่านะทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนี่คือวิสัยของมนุษย์ทุกวันนี้ทำอะไรต้องมีสเต็ปมีท่าตายตัวมีการสั่งการนะก็ยังในขณะที่สนุกสนานก็ยังไม่อิสระ ยังมีการต้องทำท่าเต้นให้มันถูกต้องนะส่วนคิปที่สเนี่ยนะพี่ยาซึ่งเป็นญาติธรรมเราเนี่ยเขามีบริษัทขายเครื่องเครื่องมือการแพทย์นะหลังจากก็ปฏิบัติแล้วเนี่ยพี่ยาในแง่จิตวิญญาณบิญญาณเนี่ยเขามีปัญญามากนะเขาก็แอปพลายสิ่งนี้ไปใช้เขาพยายามลองหลายอย่างสุดท้ายตอนนี้บริษัทเขาเนี่ยนะ หนึ่งนาทีนะก่อนเข้างานหนึ่งนาทีทำงานไปสองชั่วโมงแล้วก็หนึ่งนาทีเช็คแอนด์แดนส์นะเลิกเที่ยงปุ๊บก็หนึ่งนาทีตอนบ่ายก่อนจะเข้าหนึ่งนาทีแล้วก็ทำไปสองชั่วโมงก็เหมือนอิสลาม่อ ะ, ะอิสลามในี่วันหนึ่งเขาละหมาด5ครั้งมันเป็นการที่ดึงให้ตัวเองออกจากอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์กับงานนั้นนะเหมือนมาลีเฟสคือทำให้สมองโปรปง่งนะ อันนี้ก็เหมือนไปตั้งสติใหม่แล้วเวลาไปทํางานปุ๊บมันเกิดประสิทธิผลนะบริษัทพิยาก็ประเมินแล้วเนี่ยพนักงานชีวิตดีขึ้นนะก็พึ่งยาน้อยลงโรคออฟฟิศซินโดรมต่างๆก็หายไปนะแล้วก็คลิปสุดท้ายคือก่อนพิทักษ์โรงเรียนก่อนพิทักษ์นี่เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ฝั่งทนถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนถ้าคิดตามกันมวนนักเรียนนี่ใหญ่ที่สุดใน กรุงเทพนะมีนักเรียน6 0พ0กว่าคนจากอนุบาลถึงมหกนะหกพันกว่าคนครูมี500นะกับอีกพนัก ง, งานอีกนะรถรับส่งนักเรียนเนี่ยรถตู้เนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยคันนะจัดการระบบที่รับเด็กอะไรพวกนี้ต้องมีระบบหมดนะพ่อครูก็เมื่อสองเดือนก่อนก็ สองเดือนก่อนน่ะพอเขาปิดเทอมปุ๊บเนี่ยพวกกูก็เข้าไปอบรมครูที่นูน้นสองปีกว่าสองปีก่อนที่แล้วเนี่ยเขาส่งครูมาที่นี่สามร้อยพอเขาจะเอามาห้าร้อยที่นี่รับได้แค่นั้นตอนนั้นศาลานี่ยังไม่ขยายนะแล้วหลังจากกลับไปแล้วเนื่องจากว่าโรงเรียนกรพิทักกืบเส้นทางนั้นนะ่ะนะคุณครูเราก็เคยไปเยี่ยมนะมีโรงเรียนไม่รู้กี่สิบโรงเกือบเป็นร้อยนะโรงเรียนดังๆทั้งนั้นนะ่ะ ชีวิตกรุงเทพมันแข่งขันกันมากเหมือนพวกเราอยู่ที่นี่อยู่บ้านนอกเนี่ยรถออก็ไม่ค่อยติดออตื่นสายหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเราก็เลยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ความกระตืเอเรือล้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนกันแต่ชีวิตในเมืองกรุงนั่นมันแข่งขันมันยื้อแย่งโรงเรียนต้องแข่งกันถ้าทำพลาดปุ๊บนี่คือหมายถึงว่าเจ๊งได้เลยนะพลาดปุ๊บนี่ เด็กต้อเรียนลาออกพร้อมกันเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาสูงมากนะค่าไฟปีหนึ่งเป็น10บสิล้านเฉพาะค่าไฟฟ้าเนาะก็เป็นว่าเขาไม่ทําจริงไม่ได้เขามาเรียนรู้ที่นี่เขาก็กลับไปเขาก็ปฏิบัติทุกวันนะเป็นเวลาปีกว่าเกือบสองปีแล้วเขาเขาฟอ low ่อัก็คือว่าติดตามผลงานจาก ครูเองจากนักเรียนเองนะทุกอย่างพุ่งพวดขึ้นมาเลยทีนี้ปีนี้เนี่ยเขาแน่ใจแล้วแล้วนะเขาประกาศเลยว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่เอาโปรแกรมเช็ค and ด์แดนเนี่ยเข้าไปสอนเด็กไม่ใช่เฉพาะเต้นตอนเช้าตอนเย็นในห้องเรียนเนี่ยนะหนึ่งการดูสองการฟังสามการอ่าน นะเขาให้เด็กนั่งหมุนหมุนมองภาพดูวิดีโอก็แล้วช่างเนี่ยนะแกฟังยูท b e พ่อครูเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบหลายรอบเขาจับประเด็นพ่อครูเคยบอกว่าคนจีนสมัยโบราณเนี่ยเขาอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเป็นจ้อหนวนจ้อหนวนเหมือนตำแหน่งนี้เหมือนรัฐมนตรีเลยล่ะถ้าสอบได้ปุ๊บถึงจะเป็นอำมาพาตอำมาพึกรัฐบาลเลี้ยงจนตาย เนะีเรียนเอเป็นตายเขาอ่านหนังสือเขาต้องเป่งเสียงออกมาให้มันมีเสียงดังและได้ยินแล้วก็ต้องนั่งหมุนไปด้วยมันเป็นการทำสมาธินะได้ยินเสียงปุ๊บมันไม่ผ่านความคิดมันจะบันทึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกเราทันทีเลยทุกวันนี้เราฟังปุ๊บก็เอาไปคิดก่อนเห็นไหมพูดคำแรกก็ไปคิดแล้วคำที่สองที่สามนี่ไม่ได้ยินเลยตามไม่ทันอันนี้คือตั้งสมาธิ นะพอครูคุณครูคสอนปุ๊บเนี่ยเด็กก็นั่งหมุนตั้งใจฟังข้อมูลมันเข้าไปโดยตรงเลยนะช่วงปิดเทอมก่อนนะแค่ช่วงเข้าเข้าซัมเมอร์นะก่อนจะเข้าปุ๊บเนี่ยโรงเรียนเขาก็ประเมินความรู้เด็กนะแค่เข้าคอร์สซัมเมอร์นั้นนะ่ะความรู้เขาพุ่งพรวดเลย เมื่อเขาแน่ใจแล้วเขาก็เลยประกาศเลยเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เอาโปรแก ร, รม S n d ของศูนย์พรลานคอยไปเข้านะเขามาเรียนที่นี่เราเป็นต้นตำรับแต่ตอนนี้พอกูดูแล้วเนี่ยคุณครูต้องกลับไปเรียนกับเขานะเพราะว่าของเราเนี่ยคล้ายๆว่าไม่ต้องแข่งกับใครชีวิตเราก็สโลไลฟ์จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะท่าในใแง่ชีวิตไม่ต้องไปเครียดหรอก แต่ยุคทุนนิยมเสรีเนี่ยเราไม่แข่งกับเขาเดี๋ยวเขามาแข่งกับเรานะบางเอื่นที่นี่พ่อครูเราไม่ได้ทําการค้าล่ะนะเร็วๆนี้พออโรงเรียนในหมู่บ้านเพิ่งย้ายมาใหม่เนาะไม่กี่เดือนไม่ปีหนึ่งก็สองปีก็ย้ายมามาปุ๊บ ก, ก็มามามาเยี่ยมพ่อครูนะมาขอนักเรียนที่นี่นะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่พอเขาจะปิดโรงเรียนถ้านักเรียนไม่พอเขาจะตัดโควตาครูนะ พ่อคูบอกไปคุยกับผู้ปกครองพ่อครูไม่มีอะไรสิทธิในการเลือกเรียนแต่ที่นี่พ่อคูไปหานักเรียนที่กาญจนบุรีไปหาลูกกะเลียง <c oughs> คนเราทุกวันนี้แบบแบบนี้แหละคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราต้องการให้เด็กที่ด้อยโอกาสแถวนี้เขามีโอกาสได้รับอะไรดีๆนะอันนี้ก็ฝากคุณครูไว้ว่าช่วยกันหน่อยหนึ่งได้ไหมตื่นขึ้นมา ช่วยกันสร้างชาติยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนถ้าเราจะไปเรียนเราจะปรับปรุงของเราเนี่ยเอาเอาวิชาการเก่งเก่งแค่ไหนชาตินี้ก็สู้เขาไม่ได้ในเมืองอะนะนะครูเขาต้องระดับหนึ่งนะแล้วเราจะไปแข่งเขาก็าทำไมนะสิ่งที่เราไม่ต้องแข่งกับใครเราเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือ c ช e ค k and Dance ถ้าคุณครูเห็นคุณค่าของมันเนี่ยนะ แล้วช่วยกันทำตัวนี้สังเกตไหมเมื่อครูกรพิทักษ์เมื่อกี้เขาเต้นกับครูเราเต้นมันต่างกันแค่ไหนเขาอินเขาไปเลยละ่ะเขาทำจริงจนชีวิตเขาเปลี่ยนได้นะแต่ครูเราแค่ว่าเออให้เต้นก็เต้นเช้าเย็นก็เต้นไปอย่า ง, งานั้นแหละเป็นหน้าที่แต่เราไม่ได้เต้นเพราะเราศรัทธาเราจึงเข้าไปไม่ถึงเราจึงไม่รู้คุณค่าของมันเราจึงว่าไม่มีความจาเป็นต้องไปสายทอดให้เด็กเนะี่ย นี่แหละทั้งหมดถ้าเราไม่ใส่ใจนะไม่เงี้ยหูฟังเราจะไม่เจอปัญหาเด็กอันนี้ก็เปิดให้ดูนะแต่ไม่ใช่คุณทูเราทำอะไรผิดแต่เนื่องจากเราอยู่ในชีวิตชนบทเนี่ยนะเราก็ไม่ทุกเท่าไหร่แต่พวกกูเคยเคยบอกแล้วว่าเด็กมันโตขึ้นทุกวันมันแก่ขึ้นทุกวันและก็โลกใบนี้เขาไม่เลยรอเราเราไม่อยากแข่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะมาแข่งกับเรา บางทีเ้าไม่แข่งกับเราเขาก็มาข อ, อนักเรียนเราดื้อแบบนี้นะเพราะต่างคนต่างจะเอาตัวรอด น, นะสองวันนี้พ่อครูได้ข้อมูลใหม่นะวันนั้นก็มีผู้บริหารธุรกิจหนึ่งมาคุยกับพ่อครูล่ะคุยแค่สองวันเขาบอกพ่อครูทำไมเกิดมาเขาไม่เคยเจอคนที่ว่าถามอะไรเ็ารู้หมดนะพ่อครูก็ไม่เคยอ่านหนังสือพ่อครูนะจะพ่อครู หาข้อมูลทุกวันนะข้อมูลในอดีตกี่ชาติพ่อครูมีแล้วถ้าพ่อครูรู้ข้อมูลปัจจุบันปุ๊บพ่อครูจะเห็นอ น, นาคตพ่อครูเปิดโทรทัศน์ปุ๊บเปิดปุ๊บเจออะไรพ่อครูก็นั่งดูก่อนเจอชกมวยนั่งดูก่อนเออดูอารมณ์มันคนชกเป็นยังไงคนเชียร์เป็นยังไงกดไปใหม่ปุ๊บเจอนางงามพ่อครูก็นั่งดูก่อนนางงามรู้สึกยังไงนะดูปุ๊บพ่อครูก็เปิดต่อไปนะเจอตลกพ่อครูก็ดูตลก เพราะคูดูหมดเพราะคูจะเห็นคลืนเลยว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วพระครูจะรู้อนาคตนะเพราะเราใส่ใจทุกเรื่องแล้วพระครูรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเนี่ยสองสามวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ไอ้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเขามาคุยโอ้อวดว่าโรงงานใหม่เนี่ยเขาก็สร้างใหญ่มากเขาใช้พนักงานแค่เจคน ปกติใช้เจ็ดันคนยังไม่พอเลยเขาใช้แค่เจ็คนฟังแล้วรู้สึกยังไงทุกอย่างเป็นหุ่นยนต์หมดและต่อไปมนุษย์จะไปทําอะไรทุนนิยมเขาไม่รักคนจริงๆหรอกเขารักเงินเขามากกว่าเขาพยายามลดต้นทุนต่างๆเพื่อให้เขามีรายได้มากขึ้นเพื่อจะแข่งงั้นกับคนอื่นแล้วมนุษย์เราต่อไปจะทําอะไรนะแล้วลูกหลานเราต่อไปจะทํำยังไง นะถ้าเราไม่ช่วยกันคิดนะอีกหลายอาชีพในข้างหน้าเนี่ยจะตกงานหมดนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลใหม่กับคุณหมอเป่าบอกพระครูตอนนี้เนี่ยเขามีรถหอแล้วมอเตอร์ไซค์หอด้วยตอนนี้เริ่มจองกันแล้วเห็นไหมเราเคยคิดไหมต่อไปมันถ น, นนมันติดไงกูก็หอขึ้นไปกันเลยต่อไปจะไปติดบนอากาศ <c oughs> คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเรายังต้ม ต, ต, ต้มเตี้มเตี้มอยู่อย่างนี้นะเราเป็นเหยื่อหมดไม่ใช่ต้องไปต้องแข่งกับเขาเราไม่แข่งกับเขาแต่มันมาแข่งกับเรามันมาเบียดเบียนเราไงเกษตรก ร, เ, ร, กรเขาอยู่ดีๆของเขาเนี่ยนะเออเร็วๆนี้หน่วยงานมาประชุมที่นี่ไงพราะรูก็มีโอกาสเข้าไปร่วมก็พูดไง พอถึงเวลาพ่อครูพูดเขาบอกยีบแปปีก่อนพ่อครูมาอยู่ที่นี่คนที่นี่เขาจนอยู่ดีๆบ้านเมืองมาพัฒนาจนเขายากจนเออในอำเภอเพิ่งย้ายมาใหม่สิบวันนะเพิ่งมาได้ยินปุ๊บหันหน้าไปถามพัฒนาการอาเภอว่าฟังพ่อครูแล้วเหนื่อยไหมถ้าไม่เปลี่ยนแนวความคิดสมควรเหนื่อยทําไมเขาจนอยู่ดีๆจนมันดียังไง ดีสิไม่ต้องไปรักษาเงินไม่ต้องไปเฝ้าเงินไม่ต้องถูกกลัวถูกขโมยเห็นไหมมันดีไหมเราอยู่ริมเขื่อนในน้ํามีปลาในนามีข้าวในปา่ามีสมุนไพรเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาจนอยู่ดีๆเราหวังดีประสงค์ลายเราก็มาสอนให้เขาาเอ๊ะมันไม่เจริญอะไรไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนนุน่นสมัยก่อนพ่อครูมาใหม่ๆเขาพาพ่อครูไปเก็บเห็ดมาจากอเมริกานะโห้โลกใบนี้มีอาหารทิพด้วย ไม่ต้องซื้อตังหากไม่มีสารเคมีอีกอู้มีความสุขมากดีใจมากอ่าหลังจากถนนเข้ามาเอาละมันออกตลาดขายได้ละทีนี้ไม่ใช่ไปเก็บเห็ดนะคนอีสานบอกไปไต่เห็ดไปไต่คือจุดเทียนไฟนะ่ะไปก่อนเพื่อนมันยังโผล่ขึ้นมาปุ๊บกูก็เด็ดเลยเก็บจนศูนพันมันหมดตอนนี้เขาก็มาสอนเราเพาะเห็ดตอนนี้เป็นเรื่องลว นะมีกำไรมีขาดทุนล้ตอนนี้นะเป็นหนี้หมดตอนนี้ยากจนแล้วเป็นหนี้แล้วไงเขาเคาะประตูบ้านหลายคนถูกยึดที่ไปเห็นไหมเขาจนอยู่ดีๆมาพัฒนาจนเขายากจนเมื่อจนแล้วไม่รับผิดชอบเขาเห็นไหมเขาไม่มีทางแก้ตัวเลยเขาไม่มีทักษะชีวิตเขาเขา เขาเกิดมาจนเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่ใช่เป็นคนชั่วเขาเป็นคนจนอยู่ดีๆแต่บ้านเมืองหวังดีประสงค์ลายมาพัฒนาจนเขายากจนนะแล้วตอนนี้เอาอีกนะเออนโยบายแห่งชาติไทยแลนด์ 4.0 เออมันจะต้อง 4.0 ต้องทันสมัยนะไอ้พวกเศรษฐีก็นั่งจ้องอยู่เอามายิ่งชอบ ตอนนี้มัน 3.0 เดี๋ยวมันเทคโนโลยีมาใหม่มันก็พัฒนา 4.0 แล้วไอ้หนอยู่ข้างล่างเนี่ยยิ่งมาก็ยิ่งห่างไกลไงจนเปลี่ยนถึงยากจนตอนนี้ยิ่งกว่ายากจนอีกนะจะเกิดวิกฤตน ะ, ะคนไม่ใช่สุนัขวันนี้พ่อกูเดินไปครัวงไงตัวหนุ่มก็วิ่งไปตรงล้างจานมันก็ไปหากิน คนมันจะปล่อยให้มันตายเหรอเดี๋ยมป้นกินข้ากินเป็นสังคมที่จะเกิดกิเลยุมือยาวสาวได้สาวเอาเห็นไหมพูดอย่างนี้เพราะอะไรไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่เรามีโรงเรียนคุณครูต้องตื่นขึ้นช่วยเด็กๆช่วยเขาคิดหน่อยว่าต่อไปเขาจะใช้ชีวิตยอย่างไรนะเพราะกูไม่กระทั่งตำแหน่งครูนะอีกหน่อยตกงานหมด บางวิชาเขาใช้หุ่นยนต์สอนดีกว่าหุ่นยนต์นี่มันนิสัยดีอารมณ์ดีตลอดนะมันโกรธก็ไม่เป็นแล้วมันพูดได้หภาษาสิภาษาก็ได้คุณครูกว่าจะเรียนสองภาษาเนี่เกือบตายเลยเห็นไหมมันเอาหุ่นยนต์มาสอนรับรองเพะเลยไม่ใช่อารมณ์ดีก็สอนแบบหนึ่งอารมณ์ไม่ดีสอนแบบหนึ่งแล้วมันต้องไม่ไม่มไม่ต้องลาเข้าไปในห้องน้ําด้วยไม่ต้องลาคอดต่างหากพราครูไปลาเมื่อเร็วๆนี้ ไปนั่งคุยกับนั่นแหละคนที่รู้จักลูกชายเขาจบจากเวียดนามมานะประิญญาตรีทางด้านกฎหมายนะจะไปทำงานรัฐเนี่ยต้องหาเงินสองแสนบาทถึงจะเข้าได้แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ไหมตั้งล้านหนึ่งล้านกีบ่บาทคิดเป็นเงินไทยสี่พันบาทเพราะครูบอก เป็นครูมาครูเป็นครูสอนบาลานคอยจะให้สามล้านแล้วต่อไปคุณครูจะมีงานทำไหมภาษาอังกฤษเขาก็เก่งกว่าเราภาษาเวียดนามต่างหากอาเซียนพวกเราเออละเหยไม่ได้นะเนี่ยไปอาเซียนไปอาเซียนเขาไม่เคยถามไมไม่มาถามเราหรือเปล่าว่าไปอาเซียนไหมครับไม่มีตกไปอาเซียนไปอาเซียนบีบให้เราไปอาเซียนเพราะ คุณข้ามชาตินี่ไม่กี่ตระกูลมันจะได้ประโยชน์แต่พวกเราเตรียมตัวนะเตรียมตัวตกงานกันเป็นกรรมกรก็สู้เขาไม่ได้อีกเพราะว่าค่าแรงเ็าถูกกว่าเราอันนี้แนวโน้มมันกาลังจะมาแล้วนะนะตอนนี้มนูมนมอรไสคขี่ซิ่งๆิ่งนี่ยังไม่พอตอนนี้มันมีมอยไสห่อแล้วนะแล้วมอเราจะชาชาได้พ้าเร่มงาม ได้ได้พาเล่มงานจริงๆแต่ไม่ได้อย่างอื่นนะเนี่ยเอาพาไปฟันไปฟันต้นไม้มาเผาถ่านตอนนี้กิเลสมันขี่จรวดเนอะนั่นแหละคุณครูตื่นขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติกันนะสร้างชาติอย่างมีความสุขแล้วตัวเองต้องพัฒนาด้วยนะเรา เวียดนามเขมรนะตอนนี้เขาไปโลดแล้วนะบ้านเมืองเราเนี่ยมีแต่อยู่ทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละนะคนไทยเราแปลกนะเพราะกูเคยไปอยู่เมืองนอกนะนะถ้ามีศึกสงครามกับมีเรื่องกับคนชาติอื่นเราสามัคคีกันมากกอดคอกันสู้กับมันแต่ถ้าไม่มีอะไรสงบปุ๊บเนี่ยเราก็หาเรื่องกันเองนี่คือคนไทยนะ อิจฉากันนินทากันนะนะตอนนี้เขาไปไหนไม่รู้แล้วนะลวมัวจะไปคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้พูดให้ฟังว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่พระครูคนเดียวนะพระครูหกสิบก้าแล้วนะนับถอยหลังแล้วนะเราต้องตื่นขึ้นทุกคนก็มีลูกคุณครูก็มีลูกเดยวก็มีหลานเขาจะอยู่ยังไง อยู่ยากนะเห็นไหมไอบริษัทใหญ่มันมันคุยว่ามันเก่งนะโรงงานมันบักใหญ่หนึงมันบอกมีพนักงานแค่เจ็ดคนนะแล้วมันจะเอาคนไปไว้ที่ไหนล่ะนะมาทำกา ร, กรเกษตรก็เจ๊งเห็นไมราคาก็ไม่มีต้องต้องช่วยกันคิดเนาะนะเนี่ยเนื่องจากลูกหลานออกมาอย่างนี้นะเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันนะว่า ไว้ขนาดนี้เขามาปรงผมเขามาถือสินนะมาทำให้พวกกูหยุดไม่ได้จริงๆเราน่าจะหน่าจ ะ, กะเกษียณเมื่อเก้าปีก่อนนะห ก, กะสิบครบก็เกษียณแล้วไงนี้กเกษียณลงไหมเหหมเมื่อเขาทำดีแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังเหรอ นะยุค ท, ท, ทุกวันนี้เนี่ยปล่อยให้ทําผิดปุ๊บก็หาเรื่องลงโทษกันเอากฎหมายข้อนั้นข้อนี้มิตจตจ้องที่จะลงโทษกันแต่เราไม่จ้องดูว่าคนทําดีนี่เราจะให้รางวัลอะไรเขาบ้างพ่อครูยิ่งดูยิงย่งดูเลยให้เราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะนะพ่อครูทําเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขาย ทำอยู่ทำกินทำทานมายี่สบปดปีตอนนี้ไม่พอละแค่มีอยู่มีกินไม่พอละต้องมีส่วนเกินมีเพียงพอที่จะส่งเสริมลูกหลานเราที่เขาทำดีนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนะต้องช่วยกันคิดนะนะ ไม่แค่แค่พออยู่พอกินเฉยๆไม่พอนะลูกหลานเราจะเดินไปต่อต่อไปยังไงนะอันนี้ก็ฝากคุณครูทุกคนอาชีพครูนี่ยิ่งใหญ่มากครูคือครูลูกคือผู้ประสาทวิชาไม่ใช่ผู้ขายวิชาแต่ตอนนี้พ่อครูบอกแล้วครูถูกฆ่าทิ้งหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์2อาจารย์3สอนในห้องเดียวก็สอนไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปเรียนพิเศษก็สอนพิเศษ สำนึกความเป็นครูไม่มีละจิตวิญญาณคนเป็นครูไม่มีแล้วมันเป็นธุรกิจแต่ไม่ควรจะเป็นโรงเรียนศูนย์พระลานคอยเราสองแห่งเนี่ยเพราะโรงเรียนเราไม่ต้องเรียนเอกชนแบบเก็บตังค์บาทหนึ่งไม่ต้องเก็บกับเด็กโรงเรียนเป็นศึกษาสงเคราะห์มูลิธิดูแลอย่างน้นอยว่ามาเรียนโรงเรียนนี้ปุ๊บพ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อนรถรับส่งถึงที่นะ งบประมาณรัฐก็ไม่ให้มาแค่บาทหนึง่งเรื่องรถรับส่งไม่มีค่าอาหารมัธยมบาทหนึ่งก็ไม่มีแต่เราให้กินฟรีเราไม่ต้องการให้เด็กหรือว่าผู้ปกครองเ้าเดือดร้อนนะส่วนวิชาการเก่งแค่ไหนก็แก้งสอนไปนั้นเลยสอนให้มันผ่านเฉยๆแต่ต้องดูแลคุณธรรมฝึกให้ลูกหลานเราเนี่ยมีความรับผิดชอบตัวเองกับสังคมมีร่างกายจิตใจที่แข็งแรง มีคุณธรรมนะรู้จักไฝ่เรียนรู้ไอ้ความรู้อย่าห่วงคุณครูอย่าห่วงตอนนี้กดทีเดียวก็รู้ไปทั่วโลกแล้วสอนนี้เขาฝ่เรียนรู้เขาต้องการรู้อะไรเนี่ยไม่ต้องไปจำหรอกทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าพราคูมีอำนาจนะเป็นรัฐมนตรีศึกษาที่การต่อไปเด็กๆ เ, เข้าห้องสอบเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กเข้าไปด้วยให้มันเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องไปจา เข้อมูลอะไรถ้าเขาฝ่ายเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเขาอยากรู้อะไรเขาเสิร์ชหาหมดเลยเขาต้องฉลาดใช้หลายๆข้อมูลเนี่ยมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ของเขาอย่าไปสอนเด็กๆ เ, เ, เก่งไปใช้รุ่นใหม่นะอันนี้ไร้สาระต้องสอนลูกหลานเราเนี่ยสร้างรุ่นใหม่อันนี้สอนลูกหลานเราไปท่องจำความรู้คนอื่นเป็นขี้ค่าเขาไปสอนภาษาอังกฤษให้มันเก่ ง, กงๆบอคูสอนว่าสอนทาไม เฮอเมืองไทยเฮอประเทศเดียวนะตั้งแต่รุบางก็ให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่รุ่นครูคีครูดอนพวกเราเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยเรียนกศนอที่นี่พวกครูไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทาตุเราเข้าใจว่าเป็นภาษาอังกฤษพูดบเรจะสำเร็จในชีวิตอันนี้คือความเข้าใจผิดถ้าเก่งภาษาอังกฤษสำเร็จในชีวิตเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยต้นกําเนิดของภาษาอังกฤษมันต้องไม่มีกรรมกร ไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษเก่งแล้วมันจะฉลาดไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันแค่เราไปท่องจำภาษาของคนอื่นเท่านั้นเองมันไม่ได้ทําให้เราฉลาดขึ้นมันไม่ได้ส่งเสริมให้เรามีทักษะชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเขาหลอกเราไม่ได้หรอกนี่พี่แทนนั่งอยู่ที่นี่พี่แทนอยู่ไหนยกมือขึ้นเออ ตอนพี่แทนอายุสองสามขวบเนี่ยนะมีฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาในศูนย์พี่แทนคิดว่ามนุษย์ต่างดาววิ่งไปกอดแม่พี่แทนปลอดภัยแต่ลูกหลานเรามันขี้เหอนนะจะไปฟุตฟิตโฟไฟเดี๋ยวถูกมันหลอกไปไงถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษมันหลอกเราไม่ได้ ไม่ใช่รู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งนะลูกน้องพ่อครูร้านอาหารที่อเมริกาเน่ยไอ้ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยมันมีหน้าที่ล้างจานอยู่ในห้องครัวเทขยะมันออกมาหน้าร้านไม่ได้เพราะเราขายร้านไทยไงมันเป็นฝรั่งมั น, ม, นมันออกมานอกร้านไม่ได้ไม่ได้หมายของว่าเก่งภาษาอังกฤษแล้วเราจะสาเร็จในชีวิตไลสาระแต่บางคนต้องเรียนให้มันเก่ง แต่ไม่ใช่ทุกๆคนเราเคยเปิดกศนครูกศนก็มาสอนภาษาอังกฤษแม่ครูอ้อมนะเนี่ยอาบตตุยเนะี่ยเขาก็เรียนเลยเขาก็ถามครูว่าเรียนภาษาอังกฤษไปทำไมครูเขาตอบว่ายังไงจะได้อ่านยี่ห้ออันนี้โตโยต้าอันนี้อิซทิสุไง แค่เรียนให้มันอ่านออกเพื่อให้มันหลอกเราได้ไงแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันไม่ดีนะตอนนี้เปลี่ยนทิศนะเผลอไปเรียนภาษาจีนอีกเพราะว่าตลาดมันใหญ่เห็นไหมมิสเตอร์ซูซูกิเนี่ยประธานบริษัทซูซูกิเนี่ยจบปวสนะนายชินโสพผลพาณิชย์นาดีนี่เจ้าของธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้จบอะไร ไม่ได้หมายความว่าเรียนเก่งๆสูงๆแล้วจะสำเร็จในชีวิตนะมันไม่เกี่ยวแต่ยุคนี้ไม่เรียนได้ไหมต้องเรียนแต่เรียนให้รู้เท่าทันโลกไม่ใช่ไปตามโลกเรียนให้รู้เท่าทันมันอยู่กับมันให้ได้อยู่ให้ได้คืออยู่ต้องอย่างอยู่อย่างมีความสุขนะถ้าอยู่แล้วไปทุกข์ด้วยอยู่แล้วเป็นเบียกร่างเป็นฆ่าทาตเขาเน่อันนั้นอยู่แล้วมันเสีย ตอนนี้เขาต้องการให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษรู้ไหมเพราะต่างชาติเขาจะได้มาลงทุนเขาจะได้สั่งเราง่ายไงเขาจะได้พูดกับเรารู้เรื่องหลวงพ่อชาเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อกูเหมือนกันท่านจบป .1 เรียนแค่นักธรรมเองรู้แนวทางปุ๊บเข้าป่าตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านสอนคนทั้งโลก เห็นไหมปอหนึ่งสอนด็อกเตอร์สอนฝรั่งสอนจีนสอนญี่ปุ่นสอนอะไรมาอยู่ที่วัดป่านานาชาติท่านเปิดสาขาทั่วโลกสองรอยกว่าสาขาโดยที่ท่านไม่ต้องไปเปิดเองท่านสร้างคนอยู่ในป่า น, นั้นน่ะคนพวกนั้นก็ไปสร้างสาขานนคนจบปอหนึ่งไงแล้วอย่าพี่ขี้เห่อมากนะักคนไทยอ่ะขี้เห่อมาก อยู่ชายแดยนเขมรก็พูดภาษาเขมรเพราะอยากได้เงินเขาอยู่ชายแดยนมาเลเซียก็พูดภาษามาเลเซียอยากได้เงินเขาอยู่ชายแดยนพม่า ก, ก็พูดภาษาพมาอยากได้เงินเขาเราไม่เคยมีความเป็นชาตินิยมเลยญี่ปุ่นเขาจเจริญเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้พ่อคูค้าขายที่กรุงเทพอะนะพ่อคูบินไปญี่ปุ่นไปติดต่อการานะกค้าพ่อคูพูดภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยมันใส่ญี่ปุ่นมาเลย มันฟังูเรื่องแต่มันพูดภาษาญี่ปุ่นอยากคุยกับมันมุนุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเขาถึงเจริญไงบ้านเราไม่มีชาตินิยมเลยอยากได้เงินเขาก็ไปไปไปนั่นหมดแล้วเขามีวินยัยนะครั้งหนึ่งพ่อคูไปเดินสวนสาธารณะเขาเห็นเด็กๆตัวเท่ากับพี่ฟ้านี่แหละ เออน่าจะห้องปอหนึ่งหรืออะไรปอสองเนี่ยยืนเลียงแถวจะเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคูเรียกไปมันก็วิ่งไปตรงนั้นนะทีนี้ห้องน้ำเปิดว่างปุ๊บไอ้คนต่อไปมันไม่เข้านะมันบอกเอ้ยถึงคิวเธอแล้วถ้าเมืองไทยเป็นยังไงต่อพระคูสิ เรื่องไรเรียกมึงมึงหาเรื่องไปเองกูเข้าเลยวันที่พี่ดอนกลับมาจากอเมริกาเล่าให้พวกฟูฟังอยู่สนามบินหนองงูเห่ากำลังเลียงแถวจะเช็คอินอยู่นะแล้วข้างหลังเขาก็มีฝรั่งยืนอยู่พี่ไทยเดินมาสองคนปุ๊บแซงทันทีเลยฝรั่งก็มองมองหน้าพี่ดอนนี่คือไทยไง ความมักง่ายแบบไทยๆคือไทยแท้ไงแล้วไม่มีวินัยเลยนะนัดกัน9้าโมงนะนี่เพราะูโดนเองเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เปิดศูนย์นะเพราะคูทำเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจแค่หปีนี่ดังเป็นผู้เลยโทรทัศน์หลายช่องมาถ่ายทำหนังสือพิมพ์มาหมด มาหาเวลาทุกเย็บมาอะไรมาดูงานมาดูงานมาดูงานนี่เพราะคูเลี้ยงข้าวฟรีด้วยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยปริญญาโทรก่อนจะจบต้องมาฟังเพรูบรรยายนัดกันว่าจะมากินข้าวเที่ยงที่นี่เลี้ยงข้าวตอนนั้นครูก้ครูอะไรยังทําสวนกันอยู่นะทำอาหารเสร็จตั้งแต่สิบเอโมงกว่า ทุกคนยืนปัดมแมลงวันอยู่ตรงนั้นเขามาถึงบ่ายสองโมงมันแวะเที่ยวชองเม็กแล้วก็บนใหญ่เลยมายากยากคนที่ปล่อยให้เขายืนรอมาบน่นคนที่ยืนรอปัดมแมลงบันไม่บ่นอะไรเลยนี่คือปัญญาชนไงถ้าไปอเมริกาเหรอเขาบอก เกียรตเอาเขาไม่เปิดต้อนรับเราไปแล้วเราจะไปสู้เขาเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเห็น ไ, ไหมอืดอาดเชื่องช้านะถ้าเราไปทำงานที่อเมริกานะีน่ที่พ่อคูณอนุญาตให้พี่ดอนไปสี่ปีนะไปเรียนรู้สิ่งนี้นะถ้าทำงานปุ๊บ ยืนเฉยๆคุยกันก็บอกไม่มีงานทํากลับไปปั๊มชื่อออกเพราะเขาคิดเป็นชั่วโมงเวลาเป็นเงินเป็นทองมาเอือยเฉยๆอย่างนี้เนี่ยกลับนั่นแหละพวกกูปล่อยให้ไปจะเรียนรู้ว่าการพึ่งตนเองชีวิตในการแข่งขันน่มันเป็นยังไงนะระบบระเบียบวินัยคือหัวใจของการพัฒนา ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องปลูกฝังคนในชาติให้มีวินยัยนะถ้าเราขาดวินยัยปุ๊บเนี่เก่งแค่ไหนก็ช่างทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะมันเป็นคนขี้เบื่อนะหมดเวลาแล้วนะถ้าไม่รักตัวเองเนี่ยคุณครูไหนๆก็เป็นครูแล้วเนี่ยให้รักอนาคตของลูกหลานเราต้องช่วยกันตื่นช่วยกันพัฒนา นะให้ลูกหลานเราเนี่ยรู้เท่าทันโลกที่จะเปลี่ยนใหม่นะกระทรวงศึกษาก็อืดอาดวุยอายรู้ทั้งรู้ทุกคนก็ยอมรับว่าการศึกษาเราแพ้เวียดนามแพ้ลาวแพ้เขมรจะปฏิรูปเมื่อไหล่เพราะพวกก็นั่งรอฟังอยู่ก็ไม่ได้ข้ออะไรออกมาพายเรือในอ่างเหมือนเก่าเอภายซ้ายไม่ดีภายขวาสุดท้ายมันก็หลงทางในแต่แรกแล้ว ที่นี้เราไปรอเขาเนี่ยเรารอไม่ได้นะฮะนะชีวิตเราก็แก่ขึ้นลูกหลานเรามันก็แก่ขึ้นทุกวันน่ะนะอย่าไปรออะไรที่มีประโยชน์ต่อลูกหลานเราเนี่ยรีบช่วยกันทำนะเนี่ยพัคกูไม่ได้หยุดนะที่ผ่านมาพักกูก็ทดลองไงนะขอเด็กๆส่วนหนึ่งมาอยู่ประจํามาเรียนโปรแกรมหนึ่งหก อันนี้ผู้บริหารโรงเรียนนะติดตาม follow อ p หน่อย168เนี่ขาอัพเขาอัเกตไปมากเนี่ยด็อกเตอร์เก่งรับปากพระครูแล้วว่าเนี่ยเป็นว่า ง, งานเขาก็เยอะเราต้องติดตามนะแล้วก็เขามีเขาพัฒนาอยู่เรื่อยนะเพราะเขาต้องแข่งขันโรงเรียนกรพิทักษ์ตอนนี้เนี่ย ที่เด็กนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้ในกรุงเทพเนี่ยอันดับสนะอันดับสเป็นโรงเรียนออเอกชนนะ น, นั่นเป็นโรงเรียนรัฐสองแห่งโรงเรียนรัฐนั้นเขาได้เปรียบอะไรเขาไม่ได้สอนเก่งหรอกนะสอบเข้าต่างประเทศเขาก็เอาหัวกะที่คนเก่งๆนี่เข้าไปเนี่ยมันเรียนเก่งเอง <S <S <S แค่ให้ความสะดวกให้ข้อมูลเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเองนะแต่กรพิทักษ์เนี่ย ถ้าไม่ใช่เก่งจริงๆเนี่ยผู้บริหารไม่ใช่หญิงเด็กเนี่ยทอย่างนี้ไม่ได้เห็นไมแค่สั้นๆเนี่ยเขาเอาโปรแก ร, รม SD สเนดี d เนี่ยเขาไปวิจัยค้นคว้าเขาไปทดลองทดสอบนะสุดท้ายเขาก็ขออนุญาตว่ากูว่าเขาเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยเนี่ยเอาโปรแกรมเอ d เนี่ยไปประกอบการสอนนะแรกๆผู้ปกครองก็ต้านแต่เขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจนแล้วว่าเอาตัวเลขมาโชว์กันเลยว่าเด็กๆก้าวกระโดดนะแล้วก็ร่างกายจิตใจก็ดีนะก็ช่วงนี้ก็ฝากคุณครูเป็นพิเศษเนะคุณครูทุกคนของพลรานคอยเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่แล้วนะมีแต่ว่าบางทีเราชะล่าใจว่าเออชีวิตเราก็ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้แหละพเพราะครูก็ชอบอย่างงี้นะชอบอยู่ง่ายๆแหละแต่ทีนี้สังคมมันไม่ง่ายกับเรา แล้วลูกหลานเราต่อไปเขาต้องออก ไ, ไปเผชิญไอ้สังคมบา้บาๆบา่้อนี้นะเราอยู่สังคมไม่ได้นะต้องสอนให้เขามีทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เขานะโอเคนะสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวเราปฏิบัติต่อขอรัตนาคุณพระษีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน บรรลุมรคผลนิพานโดยไวัยเทิน